1.25 จหการภาวนาต้องมีความสุขการตามรู้กายการตามรู้ใจไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อนะในพระไตรปิฎกก็สอนอย่างนี้ในอภิธรรมก็อธิบายสภาวะธรรมอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกการปฏิบัติจะง่ายจริงๆเส้นทางนี้ราบรื่นเส้นทางนี้รื่นรมเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความสุขเส้นทางนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยขวากหนามอย่างที่เราคิด แต่ถ้าเราภาวนาแล้วเราเชื่ออาจารย์หรือเชื่อความคิดความเห็นของตัวเองเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยขวากหนามมีอันตรายรอบตัวเลยเดี๋ยวก็บ้าเดี๋ยวก็เพี้ยนเครียดหรือภาวนาแล้วก็ทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านอยากจะอยู่คนเดียวคุยกับใครไม่ได้หนีโลกแปลกแยกกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ภาวนาผิดนะถ้าเรามีสติอยู่เราอยู่ตรงไหนเราก็ภาวนาได้อยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขได้ เวลาเราปฏิบัติแล้วเราจะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมเลยแม้สิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่เราก็ยังภาวนาของเราได้ค่อยๆฝึกแล้วจะมีความสุขเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่ตัวเองสังเกตได้ภายในเดือนสองเดือนรวมถึงคนรอบข้างด้วยที่เคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยลงที่เคยเผลอยาวๆก็จะเผลอสั้นลงจิตใจที่เคยเครียดเคยหนักจากการเพ่งเอาไว้ก็จะเบาปราดเปรียวว่องไวนุ่มนวลมีความสุข